บทที่สิบคุณสมบัติของพระโสดาบันเรียนที่โรงเรียนวัดฉลอนได้เพียงสามเดือนเด็กชายจเจริญจรุนรัตก็มีอันต้องย้ายไปเรียนที่วัดพรมสาคร โดยมีหลวงตาช่วยฝากให้สาเหตุที่ต้องย้ายโรงเรียนอีกวาระหนึ่งเพราะถูกเชิญให้ออกโชคยังดีที่หลวงตายุติการเดินธุดงแล้วก็กลับเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดพรมสาครจึงได้มีโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือลูกหลานในเรื่องที่ไม่ผิดทํานองครองธรรมท่านอยู่วัดพรมสาครยังไม่ทันจะครบพรรษาก็ถึงแก่มรณภาพด้โรคชรา การจากไปของหลวงตาอย่างความเศร้าโศกเสียใจให้บังเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานทุกทวนหน้าด้วยความรู้สึกขาดที่พึ่งพิงทางใจมียายคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าให้ปรากฏทั้งนี้เพราะยายรู้ว่าหลวงตาไปดีเพราะสมภารวัดศรัทธาพิรมบอกยายว่าหลวงตาเป็นพระภิกษุ ผู้ประกอบด้วยองศ์อันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันองศ์นั้นได้แก่ความเป็นผู้มั่นในพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมคลายหนึ่งความเป็นผู้มั่นในพระธรรมไม่เสื่อมคลายหนึ่งความเป็นผู้มั่นในพระสงฆ์ไม่เสื่อมคลายหนึ่งและความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งด้วยเหตุเชนี้จึงเป็นผู้ ละเสียได้ซึ่งสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างได้แก่สักยะทิฏฐิวิจิกิจชาและศีลปตะปรามาตพระโสดาบันเป็นผู้เข้าถึงกระแสรพระนิพพานตัดขาดจากอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดและจะเกิดในสุขติภูมิมิอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุพระนิพพาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวยายจึงลงความเห็นว่าการจากไปของหลวงตาเป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเศร้าบัดนี้หลานชายคนโปรดของยายอายุครบ16ปีเต็มเขาไม่ได้เป็นเด็กผมแก่ อ, อีกต่อไป เพราะยายได้จัดพิธีโกนจุกให้ตั้งแต่อายุครบส3บสาแม้จะใช้นายนำหน้าชื่อแทนเด็กชายหากเขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่ยังคงเล่นสนุกสนานซุกซนเหมือนเด็กๆที่ร้ายกว่านั้นคือยังเปลือยกายกระโดดน้ำตูมๆกับเพื่อนฝูงวัยเดียวกันโดยไม่สะทกสะท้านต่อสายตาของผู้พบเห็น ส่วนเรื่องการเรียนนั้นเขากำลังเรียนชั้นมัธยม3เป็นปีที่สองในโรงเรียนราษแห่งหนึง่งจังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดแห่งทั้งที่เป็นของรัฐบาลและของเอกชนนายจเจริญจรุนรัฐเรียนมาแล้วทุกแห่งแห่งละสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างแต่ก็มีอยู่โรงเรียนหนึง่งซึ่งเขาเองจำชื่อไม่ได้เสแล้ว ด้วยพอเข้าไปเรียนตอนเช้าตอนเย็นก็ถูกเชิญให้ออกทั้งนี้เพราะนางเมาส์ได้ตามมาราวีโดยไปเล่าให้ครูใหญ่ฟังถึงกิตติศัพท์และวีรกรรมของเขาตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนปถมจนถึงมัธยมในว่าจะแก้แค้นที่เขาเป็นต้นเหตุให้ลูกสาวของนางต้องอับอายขายหน้าข้างฝ่ายครูใหญ่ผู้ซึ่งไม่ได้ถือคติว่าเย็นเหมือนฟัก หนักเหมือนหินจึงเชิญให้เขาออกโดยที่ฟังความข้างเดียวไอ้หนูยายขอร้องเธอจะยังไงก็ประคับประคองให้จบมัธยมสามเช่นก่อนโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะถ้าเขาไล่ออกอีกยายก็ไม่รู้จะให้เองไปเรียนที่ไหนยายอ้อนวอนบัดนี้ได้รู้แล้วว่าถูกเชิญให้ออกกับไล่ออก มันมีความหมายอย่างเดียวกันความที่ยายเป็นคนประหยัดแม้การพูดจาก็ต้องประหยัดถ้อยคำเหตุชนิยายจึงใช้ไล่ออกแทนถูกเชิญออกเพราะประหยัดคำกว่าจะเป็นไรไปไละยายถ้าถูกเชิญให้ออกอีกเราก็วนรอบสองก็ได้หนุ่มน้อยไม่คุ้นกับคำไล่ออก ทั้งไม่เคยคิดอยากจะคุ้นพอทีพอทีไอหนูเอ็งไม่ต้องพูดยายโบกไม้โบกมือเมื่อฟังคำของหลานแม้เขาจะโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ยายก็ยังเรียกไอหนูด้วยความเคยชินก็ถ้าไม่พูดแล้วยายจะรู้หรือว่าผมคิดยังไงหลานชายแยง้งยายไม่อยากรู้ว่าเอ็งคิดยังไง ถึงรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเองไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาคนอายุ84ว่าถ้าคนเราเหมือนกันหมดก็ยุ่งแย่สิครับถ้าทุกคนเหมือนผมประเทศไทยก็จะมีแต่คนไม่ดีหรือถ้าเหมือนยายก็จะมีแต่คนดีมันก็ไม่ตื่นเต้นต้องให้มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปออ รู้เหมือนกันหรือว่าตัวเองหน่ะไม่ดียายพูดเยอะเยะรู้สิครับก็คนเขาสารเสริญกันทั้งบางผมไม่รู้ก็แย่ละถึงผมจะไม่ดีแต่ก็ฉลาดนะยายหนุ่มน้อยอุตส่าห์คุยถ้าฉลาดจริงคขาไม่เรียนมัธยมสามเป็นปีที่สองหอกหน้าไอ้หนูยายขัดคอ แต่ผมว่ายังดีกว่าเรียนมัธยมสองเป็นปีที่สามนะครับหรือว่ายายจะให้ผมเป็นอย่างนั้นจะได้กลับไปเรียนมัธยมสองอีกสองปีหลานชายทาอย่าเลยไอ้หนูประเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเอาไปนินทาว่าหลานยายจาาโง่ยายอายเขานอะจะอายไปทำไมละยายจา๋าเราไม่ได้ขอข้าวเขากินนี่นาะ นมอายุสิบหกว่าแต่ยายว่าขอข้าวเขากินก็ยังน่าอายน้อยกว่าถูกว่ามีหลานงโง่จริงๆนะไอ้หนูใครมาว่าเองอย่างเนี้ยยายเจ็บใจเลอเกินแปลว่ายายรักผมมาก เลยไม่อยากให้ใครมาว่าผมอย่างนั้นใช่ไหมครับใครบอกเองล่ะที่ยายเจ็บใจก็เพราะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองถูกว่าถึงเขาว่าเองก็เท่ากับว่าแม่เองยายเองยายไม่อยากเป็นคนโง่นะไอ้หนูโทเอ้ยผมนึกว่ายายห่วงผมที่แท้ก็ห่วงตัวเองหลานชายว่า ก็ยายรักตัวเองนี่นาพระท่านสอนว่าทุกคนต่างก็รักตัวเองเรกันทั้งนั้นหรือว่าเองรักคนอื่นมากกว่าหนุ่มน้อยไม่ตอบโดยไม่รู้จะตอบว่าอะไรคนอายุ84จึงถือโอกาสเทศนอกธรรมาธโปรดคนเป็นหลานว่าเมื่อเรารักตัวเองเราก็ต้องเมตตาตัวเองเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นและสัตว์อื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นคนที่รักตัวเองก็ต้องเมตตาคนอื่นด้วยไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นฟังคนเทศรู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาวลองยายพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าจะต้องรู้ความลับของเขาแน่ความลับที่เพิ่งทำมาสดสดร้อนๆอนเมื่อวานนี้เอง ยายพูดเราบอว่าผมไปทำความเดือดร้อนให้ใครเขาอย่างนั้นแหละหลานชายแข็งใจพูดบางทียายอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้ก็เองทำหรือเปล่าละ่ะยายย้อนถามผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าคนหรือสัตว์ยังจะมาปากแข็งอีกคนอย่างเองน่ะ ต้องให้จับได้คาะหนังคาเขาจึงยอมจำนนไอ้หนูเองบาบมากนะรู้ตัวหรือเปล่าบาปเรื่องอะไรครับก็เองผิดศีลตั้งสองข้อตายไปต้องตกนรกข้อไหนบ้างครับหนุ่มน้อยแซงถามข้อหนึ่งกับข้อสี่ผมจำไม่ได้แล้วข้อหนึ่งว่ายังไงข้อสี่ว่ายังไง ยายช่วยทบทวนความจําให้ผมหน่อยเขาตั้งใจยัวย่วป้านาติปาตาเวรมณนีกับมูสาวาทาเวรมณนีต้องให้แปลอีกไหมยายรู้นะว่าเองรู้แต่ในเมื่อแกร้งทําเป็นไม่รู้ยายก็จะบอกเสเลยว่าเองบาปที่ฆ่าสัตว์กับพูดปดยายรุกด้วยเห็นเป็นโอกาส ผมไปฆ่าใครพูดปดยังไงคนเป็นหลานยังไม่ยอมจำนนยายรู้สึกรำคาญที่หนุ่มน้อยพูดเลี่ยงไปเลี่ยงมาจึงเล่าความจริงให้ฟังเมื่อวานตาชุบแกมาฟ้องเรื่องที่เองไปฆ่าไอ้โต้งตายเห็นว่าแกรักไก่ตัวนี้มากเลยจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านให้เอาเรื่องกับเองยายไม่ได้บอกกลอกว่า ได้ขอร้องในชุกไม่ให้ไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านพร้อมกันนั้นก็ได้จ่ายค่าชีวิตไอ้โต้งไปเป็นเงินสองบาททั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะรักษาหน้าให้หลานชายซึ่งเท่ากับรักษาหน้ายายเองด้วยครั้งแรกในชุกเสนอราคาค่าตัวเจ้าโต้งไว้สูงถึงสมบาทยายต้องต่อรองราคาอยู่ถึงสองชั่วโมง แกจึงยอมลดให้โดยความไม่เต็มใจหากไม่หวงว่าจะถูกเมียด่าเพราะกลับบ้านค่ำแล้วแล้วก็แกก็ไม่ยอมลดให้แม้แต่สตางแดงเดียวหนุ่มน้อยหน้าซีดลงไปถนัดเมื่อได้ยินว่าในชุกจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านความที่ไม่อยากเสียหน้าจึงขอร้องคนเป็นยายว่ายายช่วยไปพูดกับแกหน่อยสิครับ อย่าให้แกไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านไม่เช่นนั้นยายจะต้องถูกคนเขานินทาว่าเลี้ยงหลานไม่ดีคำขอร้องนั้นก็คือคำขูด่ดีๆนั่นเองช่างเขาเถอะหลานใครก็จะนินทาว่าร้ายยังไงยายไม่ถือสาหรอกยายจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นนินทาหรือสารเสริญทุกข์หรือสุข คนอายุเจ็ดรอบตั้งใจแกล้งคนเป็นหลานโอ้โหนี่ยายบรรลุแล้วหรือนี่ไงบรรลุเร็วจังตะกี้ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยเผลอแพลบเดียวเป็นพระอาหารหันไปเสแล้วว่าแต่ว่า ยายเป็นพระอาหารหันแบบไหนครับหันซ้ายหรือหันขวาแม้จะอยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานหากหนุ่มน้อยก็อดไม่ได้ที่จะยั่วคนเป็นยายเมื่อถูกหลานยัว่วยายจงย้อนให้ว่าถ้าหันแบบนั้นก็ไม่ใช่ยายหรอกจำไม่ได้แล้วหรือเวลาที่ถูกยายตกนะ่ะเองหันไปทางซ้ายที ายายขอทีเธอเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นทางที่ดียายไปบอกตดชุบเธอว่าอย่าเอาเรื่องกับผมเลยนึกว่าสงสารเด็กตาดำดำสักคนหนึ่งเองไม่เด็กแล้วนะไอ้หนูโตเป็นหนุ่มแล้วและยายก็ขอร้องเองว่าอย่าได้แก้ผ้าเล่นน้ำเหมือนแต่ก่อนอายชาวบ้านชาวช่ อ, องเขาบ้างอายทำไม ก็ผมทำอย่างนี้มาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นแต่เอาเถอะเพื่อเห็นแก่ยายผมจะเลิกทำอย่างนั้นแต่ต้องรอให้มีเมียก่อนนะนะยายนะใครก็จะมาเป็นเมียเองอย่าว่าแต่คนเลยยายว่านงางด่างกับนางดำมันก็คงไม่อยากให้เองมาเป็นผัวแม้แต่หมาอย่างเมินยาย ย, ย่อเย้ย ถ, ถากทาง แม่ยายอย่าดูถูกผมอย่างนั้นสิครับรูปลอยอย่างผมนะ่ะสาวใดได้เห็นก็ต้องเก็บไปฝันทุกคนนั่นแหละฝันร้ายน่ะสิเขาอาจจะนึกว่าเปรตมาขอส่วนบุญยายแล้วก็ไม่เคยสรรเสริญผมเลยให้ตายสิรู้อย่างนี้ไม่เกิดมาเป็นหลานยายหรอกนมวัยสิบหกรู้สึกน้อยใจ ครั้นนึกถึงเรื่องที่ในชุบจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านจึงชวนผู้เป็นยายว่ายายผมว่าเราไปบ้านตาชุกกันดีกว่าไปเดี๋ยวนี้เลยนะยายนะไปทำไมยายไม่ชอบไปบ้านคนอื่นก็ไปพูดขอร้องไม่ให้แกเอาเรื่องผมนะสิครับยายช่วยผมหน่อยนะไม่รู้ป่านนี้แกไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือยังอาจจะไปแล้วก็ได้ เองเห็นจะตกที่นั่งลำบากละคราวนี้ยายแกล้งขู่ครั้นเห็นหน้าของหลานซีดลงซีดลงก็นึกสงสารจึงถามว่าทำไมเองไปฆ่าไก่ของแกละไอ้หนูผมไม่ได้ฆ่าครับยายนี่ผมพูดจริงๆนะสาบานก็ได้ยายสอนกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้สะบทสาบาน ยายแย้งเสียงเรียบครับไม่สบานก็ได้แต่ผมไม่ได้ฆ่าไอ้โต้งจริงๆไม่เชื่อถามเพื่อนผมดูก็ได้เขาหมายถึงในจุกกับในโก้ผู้ซึ่งถูกตัดจุกและตัดโก้ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุครบ13ก็ถ้าไม่ได้ฆ่าแล้วตัดชุบแกจะเอาอะไรมาพูดหรือว่าแกมาหลอกเอาเงินยายไปเปล่า ยายชักไม่แน่ใจเงินค่าอะไรครับเมื่อถูกถามยายจึงรู้ตัวว่าได้พูดในสิ่งที่ไม่ต้องการให้หลานรู้ความลับแตกอีกจนได้ค่าชีวิตไก่ของแกน่ะสิยายบอกความจริงเพราะไหนๆก็เผลอปากพูดออกไปแล้วหลานชายรู้สึกโล่งอกขณะเดียวกันก็รู้ว่า ถูกยายหลอกให้เสียใจจึงต่อว่าตอขานแม้ยายไม่น่าหลอกผมเลยหลอกเรื่องอะไรรึยายถามซื่อแต่หลานชายรู้ว่าไม่ซื่อก็เรื่องตดชุบนาะสิเล่นเอาผมใจคอไม่ดีเลยนี่ถ้าเกิดผมหัวใจวายตายแล้วก็ยายจะว่ายังไงคงไม่ว่ายังไงหรอก ตายก็ฟังยังก็เลี้ยงยายพูดเสียงปกติทำไมยายถึงไม่บอกผมเสีตั้งแต่แรกล่ะครับเขาถามอีกจะบอกทำไมคนอย่างเองต้องหลอกเสี้ยให้เข็ดคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่มาหาเรื่องเดือดร้อนให้อีกตกลงยายเสียงเงินให้แกไปเท่าไหร่ครับตั้งสองบาทแนะ่ แต่แรกแกจะเอาสามบาทยายนั่งต่อรองแล้วต่อรองอีกจนแกกินละมุดหมดไปหนึ่งจานน้ำอีกครึ่งขันถึงได้ยอมลดให้ก็เองว่าไม่ได้ค่าไก่แกแล้วทำไมแกมาพูดอย่างนั้นไหนลองเล่าความจริงให้ยายฟังหน่อยสิเพื่อจะได้ไปเอาเงินคืนยายยังมีความหวัง ก็เงินตั้งสองบาทใครบ้างจะไม่เสียดายแกคงไม่คืนหรอกครับอ้อยเข้าปากช้างแล้วเอาละผมจะเล่าให้ฟังแล้วยายจะรู้ว่าผมไม่ผิดมีหรือที่หนุ่มน้อยจะยอมรับว่าตัวเองผิดก็ถ้าเองไม่ผิดแล้วทำไมถึงกลัวว่าแกจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านละ่ะยายขัดขึ้นคือว่า ผมไม่อยากมีเรื่องกับแกนะครับยายไม่รู้หรือว่าตาคนนี้ปากจัดยังกะอะไรดีผมว่าน่าจะจับแกมาด่าแข่งกับยายเมาส์ดูซิว่าใครจะชนะเอาละเอาละไม่ต้องพูดเย่นเยอะไหนลองเล่ามาซิว่าเองไม่ได้ฆ่าและทำไมแกถึงมาตู่อย่างนั้น มีอยู่ว่าเมื่อตอนบ่ายวานนี้เจ้าจุกกับเจ้าโกะมันชวนผมไปดูเข้าตอนไก่ที่บ้านตาสาวผมเห็นว่ามันง่ายก็เลยลองทำดูบ้างคําบอกเล่านั้นฟ้องอยู่ในตัวว่าเขาหนีโรงเรียนอีกตามเคยแล้วเอ็งทำยังไงยายซักไม่สนใจเรื่องหลานหนีเรียนเพราะชินเสแล้ว ผมก็ทำอย่างที่เห็นพวกผู้ใหญ่ก็ททำกันนั่นแหละคือจับไอ้โต้งมาผ่าท้องเอาตะขอเกี่ยวไส้มันออกมาแล้วก็ตัดทิ้งทั้งพวงจากนั้นก็เย็บแล้วก็เอนาน้มันยางราดตรงรอยเย็บง่ายจะตายใครๆก็ทำได้แต่ไอ้โต้งสิยายมันเดินกระโลกกระเพลกได้สองสามก้าวก็ล้มลงแน่นิ่งเลย หนุ่มน้อยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายวานนี้มันตายนะสิยายว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าเพราะมันไม่หายใจคนเป็นหลานยั่วถ้าเช่นนั้นตาชุบแกก็พูดถูกแล้วว่าเองฆ่าไก่แกตายผมไม่ได้ฆ่านะครับมันตายเองไอโต้มันใจส่อ แค่ผ่าท้องเอาไส้ออกตัดทิ้งก็ต้องตายด้วยเขาโยนความผิดไปให้ไอ้โต้งยายจะทำกับเองอย่างนั้นบ้างเอาไหมจะผ่าท้องและควักไส้ออกมาให้หมดดูซิว่าเองจะตายหรือไม่ย า, ยายเลยยายผมไม่อยากถูกตอนประเดี๋ยวจะไม่มีลูกหลานไว้สืบต่อเผ่าพันธุช์ชายหนุ่มปฏิเสธอย่างนิ่มนวล เอาละไหนๆยายก็เสียเงินไปแล้วเองจะต้องรับผิดชอบเงินจำนวนนี้ต้องหามาคืนยายให้ได้พรุ่งนี้ตอนตีสามเองต้องตื่นแล้วหาผักไปขายที่ตลาดบางขามยายจะจ้างเองวันละสิบสตางค์ไปถึงบางขามเลยหรือยายไกลจากบ้านเราตั้งส4ี่กิโลเชียวนะก็เพราะมันไกลนะสิ ยายถึงต้องให้เองไปตั้งแต่ตีสามถึงที่นั่นก็รุมร่วมตีห้าที่นั่นคนเยอะตีห้าก็ขายหมดจะได้กลับมาทานโรงเรียนยังไงละ่ะครับครับถ้าผมเลือกเกิดได้จะไม่ยอมเกิดเป็นหลานยายจางเด็ดขาดลำบากตลอดชาติเลยคนอายุ16บนอุป